วันนี้ไม่มีไฟนะก็ใช้ไมโครโฟนไม่ได้ก็ก็ฟังเอาละกันตั้งใจฟังจะคุยเรื่องง่ายๆเบาๆบ้างลน ะ, ะเวลาพูดถึงสมาธินี่หลายคนก็นึกว่ามันมีแต่คนนะที่จะทำสมาธิได้แล้วก็ไม่ใช่คนทั่วไปด้วยนะ ต้องเป็นคนที่เขาได้ปฏิบัติมาถึงจะทำสมาธิได้อันนี้ก็ยังไม่ถูกนะเพราะว่าสัตว์นี่มันก็มีสมาธิเหมือนกันนะลองนึกดูชิว่าสัตว์ชนิดไหนที่มันมีสมาธิมากๆเลยนะสัตว์ที่มีสมาธินี่เราความนึกออกไหอนะหาไม่ยากนะในป่าเงี้ยก็มีเยอะเลยนะหลายคนนึกถึงกบนะ กบนี่มันมีสมาธิดีมากเลยมันอยู่นิ่งๆนะแต่ว่ามันไม่ได้หลับนะมีมะแมลงบินผ่ามามันก็แลบลิ้นตวัดใส่ปากได้อันนี้แล้วว่าสมาธิมันดีมากเอาคนเรานี่อยู่นิ่งๆนี่ก็หลับไปแล้วแต่ว่าที่มีสมาธิมากกว่าโกบนี่ก็มีนะอ่าอะไรรู้หรือเปล่าน ะ, มะแมลงปอมันแหงปอ แมลงปอนี่มีสมาธิมากเป็นสมาธิแบบเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวแต่มีสมาธิมากรู้เองแล้วว่ามันมีสมาธินะก็คือเวลามันมันจะล่าแมลงเนี่ยมันจะใจมันไม่วอกแวกเลยก็เพราะว่าสัตว์ที่มีความสามารถในการล่าในการล่าเหยื่อนี่แมลงป้อนี่เป็นอันดับต้น คือถ้ามีเหยื่อสักร้อยหนึ่งนี่มันสามารถจะจับเหยื่อได้เ7จตัว 97% อร์ซนะความแม่นยำของมันสิงโตนี่ก็แค่ 30% เอร์ซเหยื่อนี่หลุดรอดไปได้เจ็ดสิบนะแต่ว่าเสร็จมันได้แค่30พวกเหยี่ยวนะพวกเหย่่ยวพวกปลาฉลามนี่ก็เก่งหน่อยจับเหยื่อได้ประมาณ 60-70% เจ็ดิเอร์เซ มีแค่30ที่รอดไปได้แต่มแมลงปอนี่9ก้อันที่มันจับได้แม่นยำนี่เพราะว่ามันมีสมาธินะคือมแมลงนี่มันจะมีกี่มันจะมีกี่สิบกี่ร้อตัวแต่ว่ามแมลงป้อนี่มันจะสนใจแค่ตัวเดียวสมาธิแน่วแน่อยู่กับแค่มแมลงตัวเดียวนะที่อยู่ข้างหน้ามันมแมลงจะเป็นฝูงเป็นร้อยเป็นพันมันไม่สนใจมันสนใจแค่ตัวเดียว แล้วมันก็มีสมาธิอยู่กับตัวนั่นแหละมันจะบินไปไหนมันก็ตามไปนะแล้วความสามารถของแมลงปอนี่มันไม่ใช่เพราะมันบินเร็วอย่างเดียวนะแต่เพราะมันมีสมาธิเอือมันไม่บอกแวกไม่ใช่ว่าเห็นตัวเห็นแมลงตัวอื่นตัวใหญ่กว่าอะเปลี่ยนใจดีกว่าไปล่าแมลงตัวนี้นะอ่ามันมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่คือมันมันล็อกเป้าเลย มันล็อกเป้าแล้วก็มันเอาตัวนี้แหละแล้วมันก็ทำให้มันสามารถที่จะจับเดือได้ในพลาดพลาดน้อยมากคนเรานี่ทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคนเรานี่วอกแวกนะแม้แต่เวลาจะทำงานก็ใจก็ไม่ได้อยู่กับงานใจวอกแวกไปโน่วอกแวกไปนี่หรือแม้แต่เวลาเล่นนะเล่นก็วอกแวกเวลากินอาหารก็ บอกแวกก็อันนี้จานนี่อร่อยกว่าเปลี่ยนดีกว่าไปเอาจานนั้นนะแต่ว่าถ้าอย่างแมลงปอนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันทั้งท่านี่มันเคลื่อนไหวเหยื่อมันก็เคลื่อนไหวนะแต่ว่าใจมันนิ่งใจมันจดจ่ออยู่แค่ตัวเดียวตัวนั้นเท่านั้นแหละอันนี้นี่ถ้าเราเอาแมลงปอเป็นครูได้นี่ก็เวลาทำอะไรก็สำเร็จนะเพราะว่า คนเราถึงแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าใจวอกแวงนี่ก็ไม่สำเร็จนะช่วงนี้นี่นแข่งบอลโลกนะตอนนี้ก็เราเป็นช่วงตัดสินเกมกันด้วยลูกโทษนะักกีฬาที่เก่งๆระดับโลกนะแต่ว่าเตะลูกโทษไม่เข้านี่ก็เยอะนะฝรัง่งก็ศึกษานะศึกษาว่าทำไมคนเก่งๆระดับซูเปอร์สตาร์ เตะลูกโทนไม่เข้าเวลาซ้อมแบบเตะเข้าเกือบร้อเซแต่เวลาแข่งสนามจริงนี่เตะผิดเตะพลาดนี่เยอะเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจนะไม่ใช่เป็นเรื่องความสามารถคนที่เตะไม่เข้าเนี่ยนะไม่ใช่เพราะความสามารถไม่มีแต่ว่าใจไม่มีสมาธิเช่นเคยเตะผิดเตะพลาดมาในนัดก่อน เขาเพาะว่าคนที่เตะผิดเตะพลาดมาในนัด ก, ก่อนๆนี่พอมาเตะก็มีโอกาสพลาดมากใจมันไปนึกถึงความผิดพลาดในอดีตอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวนะแต่เป็นความผิดพลาดของทีมยิ่งทีมนี่เตะพลาดบ่อยครั้งเนี่ยโอกาสที่จะเตะผิดเตะพลาดนี่ก็ยิ่งมากอีกอันหนึ่งที่ทําให้เตะผิดเตะพลาดนะทั้งนั้นที่มีฝีมือคือว่าห่วงภาพลักษณ์ของตัวเอง โดยผู้คนที่เก่งๆเนี่ยก็จะห่วงว่ากังวลว่าถ้าเตะผิดนี่จะเสียชื่อจะถูกดา่าถูกต่อว่าสื่อมวลชนจะลุมจิกลุมดา่าพอคิดแบบนี้เข้านะมันก็กังวลพอกังวลก็ไม่มีสมาธิพอเตะเข้าก็พลาดไอ้การคิดถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาหรือว่าการห่วงกังวลว่าถ้าเตะไม่เข้าจะเดอเจออย่างง้นอย่างนี้นี่ ถ้าพูดแบบเพื่อคือว่าใจมันไปอยู่กับอดีตกับอนาคตนะมันไม่อยู่กับปัจจุบันเขาเพราะว่าคนที่เวลาเตะบอล น, นี่นะเตะลูกโทษ น, นี่คนที่ไม่สนใจโกนะไม่สนใจประตูสนใจแต่ว่าแต่ลูกฟุตบอลที่อยู่ข้างหน้านี้ก <c oughs> ็มีโอกาสเตะเข้ามากอ น, นี้ยอยู่กับปัจจุบันเนะพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพบว่าเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้พวกดาราพวก อาผู้บอลเก่งๆมีชื่อเนี่ยเตะลูกบอลผิดอาเตะลูกโทษเนี่ยพลาดเยอะกว่าคนที่ไม่ดังคนที่ไม่ดังเนี่ยมีโอกาสเตะลูกโทษเข้าได้มากกว่าโดยเพราะแล้วก็รวมทั้งคนที่ทํางานเป็นหมู่คณะนะจะประสบความสําเร็จได้มา ก, กาคนที่ชอบนะชอบอะไชอบโชว์อันนี้ก็เป็นเป็นผลการวิจัยนะคนหลังก็วิจัยศึกษาเยอะเพราะว่าเนี่ย จริงๆแล้วนี่แม้กระทั่งการเตะลูกโทษซึ่งมันง่ายแต่ว่าถ้าใจไม่แน่วแน่นะใจไม่มีสมาธิไม่มีสตินะเก่งแค่ไหนก็พลาและอย่างทีมอย่างก็เพราะว่าทีมอังกฤษนี่เะเตะเจ็ดนัดก็แพ้สักหนัดทีมเยอรมันเตะหนัดชนะสักห้านัดต่างๆกันอย่างฟ้ากับเหวนี่ก็เพราะเหตผลหนึ่งเหตุผลอย่างที่ว่ามาด้วยเรื่องสมาธินะ งั้นขนาดเรื่องง่ายๆเรื่องทางโลนี่สมาธิก็สำคัญนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องทางธรรมนี่จาเป็นมากอ阿ะก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตูมหังอิทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาม